ดูปัทมาเลยหนปัมาวิพัฒน์ในอัตลิงปกติลิงคือสับเดิมสับเดิมมีเนื้อความอย่างไรก็ให้คงไว้อย่างนั้นการลงปัทมาวิพัฒน์ไม่ได้ทําให้เนื้อความของลิงเปลี่ยนไปแตกต่างเฉพาะวาจะนะเท่านั้นเช่นปกติลิงคือปุริสะแปลว่าบุรุษ เมื่อลงปัมาวิพัตน์มีรูปเปลี่ยนไปเป็นปุริโสปุริสาบุาบบาบรุษทั้งหลาย ก, ก็ไม่ทำให้เนื้อความของปุริสาเปลี่ยนแปลงไปทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนก่อนจะไปแปลเฉพาะปัมาวิพัตน์วิพัฒน์สองตัวคือสิละโยปัมาเนี่ยมีความหมายได้ตั้งหกอดัดลงมาบางครั้งเป็นลิงคัถะบางครั้งเป็นกัตตา บางครั้งเป็นเหตุตุกตาบางครั้งเป็นวิกติคตาบางครั้งเป็นอภิตะตัมหรือบางครั้งก็เป็นอารปัปนะปฐมาวิพัตน์ลงมาเป็นลิงคัถะคือทั้งหมดเนี่ยดูตั้งแต่หน้าสีข้างล่างไปจนถึงหน้าหาเนี่ยพวกนี้เป็นลิงคัถะหมดเลยหมายถึงนามตัวเดียวมีวิพัฒน์แล้วไม่มีกิริยาไม่มีกิริยามีแต่นามไม่มีกิริยาเรียกว่าลิงคัถะเขียนอธิบายไว้ตรงไหนพออธิบายได้ มีแต่นามไม่มีกิริยาเรียกว่าลิงคัตถะหมายถึงปัตมาวิพัตเท่านั้นนะคําว่ามีแต่นามอย่าไปหมายเอาวิพัตอื่นด้วยนะนามที่ลงปัธมาวิพัตเป็นบทบทไม่มีกิริยาไม่อยู่ในประโยคจะอยู่ในประโยคกชั่งแต่ประโยคไม่มีกิริยาเขาเรียกว่าลิงคัดถะสองกัตตาในขณะที่ลิงคัตถะนี้เองแหละนะถ้ามีกิริยาเข้ามาสาเร็จเป็นประโยค มีกัตตาและมีกิริยานะตัวลิงคัตถานั้ น, นจะเปลี่ยนจากลิงคัตถไปเป็นกัตตาทันทีถ้ามีกิริยานะถ้าไม่มีกิริยาเป็นลิงคัตถะถ้ามีกิริยาตัวลิงคัตถานั้นจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นกัตตาผู้ทํากิริยาถ้ายังไม่มีกิริยาเรียกลิงคัตถะคือคําใครคํามันมีความหมายมีวิพัฒน์แต่ถ้ามีกิริยาเพิ่มขึ้นมาตัวลิงคัตถานั้นเองจะเปลี่ยนไปเป็นกัตตาเป็นผู้ทํากิริยาที่เพิ่มขึ้น หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสยะกัตตาคือทำกิริยาเองนั่นเองกัตตาเฉยๆก็ได้สยะกัตตาก็ได้สาปัมาวิพัฒน์เป็นเหตุกัตตาหมายถึงเป็นประธานในประโยคเหตุกตุวาจกในกรณีที่ใช้คนอื่นทำกิริยาไม่ได้ทำเองเป็นประธานใช้ผู้อื่นให้ไปทำกิริยายกตัวอย่างมาเยอะแล้วเห็นแล้ว สี่วิกติกตรตาขยายประธานให้เป็นผู้พิเศษขึ้นเช่นเขาเป็นบัณฑิตเขาเป็นภิกษุเขาเป็นอุบาสกขยายตัวประธานว่าเขานะเป็นใครเป็นใครเป็นใครวิกติกตรานี้จะเป็นปฐมวิพัฒน์ที่อยู่หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นพอไปถึงแต่ละหมวดนั้นๆจะอธิบายเพิ่มไปอีกจะอธิบายเพิ่มไปอีก ห้าอภิหิตกรรมเป็นประธานประโยคกรรมเป็นประธานประโยคกรรมเป็นประธานของกิริยาที่เป็นกรรมหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เรียกอภิหิตะกรรมนะก็ให้เรียกว่าวุตตกรรมไม่เรียกว่าวุตตกรรมก็ให้เรียกว่ากาทธิตะกรรมคําใดคําหนึ่งในสามคำเจอที่ไหนนั่นคืออันเดียวกันคือปัธมาวิพัฒน์ก็คือเอาตัวกรรมมาเป็นประธานลงปัธมาวิพัฒน์นั่นเองและหกอาลปะนะ ลงปัทมาวิพัตน์ใช้ในอัดอารัปนะสําหรับคําเรียกเรียกก่อนจะพูดด้วยจะพูดกับใครก็ให้ใช้อารัปนะเรียกผู้นั้นก่อนเป็นคําเรียกให้รู้ตัวก่อนจะพูดด้วยปัทมาใช้ในอัดหกอัดเนี่ยละเอียดยิบแล้วนะนี่คือวิชาแปลทีนี้เราไปแปลดูว่าลิงค์ัถ์จะแปลว่ายังไงกตตาจะแปลว่าอย่งไรเหตุตุกตาแปลว่าอย่างไงวิกติกตต า, อ, า, ตาอภิหตะกรรมหรืออารัปนะจะแปลว่าอย่างไง ในคําแปลเป็นภาษาไทยแต่นี่คือในฐานะที่ปัทมาวิพัตลงได้มีอยู่หอย่างนี้แหละสงสัยตรงไหนถามมาดูอย่างแรกเลยหนึ่งปัทมาวิพัตในอัดลิงคําว่าในอัดลิงก็คือสับเดิมมันแปลว่าอย่างไรลงปัทมาวิพัตแล้วก็ให้แปลเท่าสับเดิมจะต่างก็คือมันแปลเป็นเอกพจน์กับพู้หูพจน์ต่างกันผู้หูพจน์จะมีคําว่าพวกหรือมีคําว่าทั้งหลายเติมมาด้วยเท่านั้นเอง แต่ความหมายแปรเท่าเดิมอย่างเช่นบุรุษลงศีปุริสาลงศีเป็นปุริโสก็เรายังแปลว่าบุรุษไม่มีคําแปลเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าลงโยวิพัตน์มาเป็นปุริสาแล้วก็แปลว่าบุรุษแต่ว่ามันต่างวัจนะก็เพิ่มเขาว่าทั้งหลายเข้าไปทั้งเองแต่ว่าบุรุษอย่างเก่าลองแปลคําต่อไปนี้พวกนี้ลิงค์คัะหมดนะคือมีนามบทเดียวบทเดียวหรือสองบทสาบทก็ช่างที่ไม่มีกิริยาเนี่ยเรียกว่าลิงค์ถะทั้งนั้นดูคําแปล พุทโธแปลว่าแปลสัจธรรมว่าผู้ตรัสสังรู้แปลโวหารัฐะว่าพระพุทธเจ้าแปลบัญญัติไอแปลอธิปายัตธรแปลว่าผู้ตรัสสังรู้อริยสัจสี่เขียนเสร็จแล้วดูนะวิธีที่จะแปลเวลาเราเห็นศัพ์เห็นประโยคก็ให้ยึดวิธีการแปล3มอย่างอยู่ที่ว่าเราแปลแบบไหนแล้วได้เนื้อความตามประสงค์ของผู้แปล คู่แปลจะสื่อความหมายให้เห็นอะไรอย่างเห็นว่าพุโทโธจะแปลว่าพระพุทธเจ้าบางคนต็รู้ว่าพระพุทธเจ้าก็คืออ๋อนี่มีลูกคล้ายคลพระพุทธรูปที่บ้านถ้าจะแปลให้คนเข้าใจมาหน่อยก็แปลว่าผู้ตรัสรู้เออเป็นผู้ตรัสรู้นะตรัสรู้อะไรเก็สงสัยต่อไปอีกต้องอธิบายเพิ่มอีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่มันก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วแต่ว่าในขณะที่เราแปลเราจะประสงค์ให้ได้เนื้อความเท่าไหร่ ให้ยึดวิธีทำแปลตามนี้วิธีที่หนึ่งแปลแบบสัท ธ, ธัตแปลตามศั์มีศัพ์อยู่เท่าไหร่แปลเท่านั้นเนื้อความของสับมาจากธาตุปัจจัยวิพัตอะไรอย่างไรแปลตามนั้นเป๊ะเลยไม่ให้แตกต่างไปจากนั้นเรียกว่าแปลสัทธัตอย่างเช่นว่าพุโทโธเนี่ยก็แปลตรงๆ ต, ตามพุโทโธว่าผู้ตรัสรู้แปลได้เทา่านี้แปลนอกนอกจากนั้นไม่ไละผู้ตรัสรู้ต่อไปอย่างที่สองวิธีที่สองคือโวหารรัฐะ โวหารรัฐะก็คือแปลให้ได้สัมนวนโวหารบัญญัติอย่างโลกโลกคือชาวโลกใช้โวหารว่าอย่างไรเราก็แปลว่าอย่างนั้นเช่นเขาเห็นว่าพุทธโธเนี่ยใครๆเขาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้แปลว่าผู้ตรัสรู้เราก็เลยแปลแบบโวหารว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าแปลแบบโวหารบัญ ญ, ญัติของโลกวิธีที่สมอธิปายัดทะเราแปลโดยเพิ่มอธิบายเข้าไปในคําแปลให้ชัดเจนมากขึ้น เช่นคําว่าพุโทโธเหมือนเดิมนี่แหละแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อังริยสัจสี่ดังนั้นเวลาเราแปลพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลอะไรไม่ใช่แปลอธิปายะถาเพราะคาว่าพุโทโธไม่มีคําว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยมีแต่ผู้ตรัสรู้เท่านั้น่ะไมแปลแบบอธิปายะถาส่วนมากส่วนมาแปลแบบอธิบายการตรัสรู้คืออริยสัจสี่ใช่ หมายถึงเวลาที่พผู้เจ้าตรัสรูนะ้เนี่ยทำหลักที่ตรัสรู้คืออริยสัจสีอันนั้นเป็นหลักคําสอนหลังจากตรัสรู้แล้วไม่ใช่ผูธเจ้าตรัสรู้ข้อนั้นเป็นหลักคําสอนหลังจากตรัสรู้แล้วเอาละพอได้รู้วิธีแล้วทีนี้ต่อไปนี้เราแปลอะไรได้แปลไปให้ได้ครบศัพ์เดียวจะแปลแบบไหนก็ได้สับแต่ละศัพท์แปลแบบไหนได้เนื้อความแพงเลาะตามภาษาไทยดีกว่าชัดเจนดีก็แปลแบบนั้น อ้าวดูพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าธรรมโมแปลอย่างเงี้นเลยพระธรรมคือคําสั่งสอนอย่างเงี้เลยเวลาสวดมนต์แปลนะสังโคปันริสาปันริสาแปลว่าบองริษัตถีลิงภิกขุภิกษุโดยโอหารถ้าแปลว่าผู้ขอผู้เห็นภัยในสงสารนั่นคือสัทธาถ้าแปลว่าพระภิกษุนั่นแปลว่าแปลแบบโวหาร ต่อไปภิกขุนีภิกษุผู้หญิงหรือภิกษุณีสามเณรเโรอ่าว่าไปว่าเป็นคําสลับๆไปสามเณรีก็สามเณรีสิกขามานาะสิกขามานาะอุปาสโกอุปาอุป า, า เ, เห็นไว้หนังสือผิดอยู่อุปาสโกสขียดทางเพิ่มอีกหน่อยมันเป็นบอใไ ม, ไม้อุปาสโกอุบาศก อุปาสิกาเขอุบาสิกากรัตนตยังถ้าแปลแบบศัพ์ก็บอกว่ามวดสามแห่งรัตนะถ้าแปลโวหารก็พระรัตนไตรัยถ้าแปลแบบอธิบายก็พระรัตนไตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าแปลว่าพระรัตนตไตรนี่คือแปลโวหารหมวดสามแห่งรัตนะคือแปลแบ บ, ส, แ บ, บสัพท์สังรังที่พึ่งที่ระลึก ภูริโสอิทธีคู่หญิงหรือสตรีถ้าบุรุษแล้วก็ต้องคู่สตรีถ้าผู้ชายถึงจะคู่ผู้หญิงไปให้ถูกจิตตังจิตกุศลังปนยังว่าทำไมแปลง่ายขนาดนี้ทับศัพท์อย่างนี้มันไม่ใช่สัตธรรมมันไม่ใช่วหารธรรมแล้วมันไม่ใช่อธิปายัธรรด้วย <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าแปลทับศัพท์ไง คือคำมียังไงแปลอย่างนั้นแต่ว่าวิธีแปลทับศับเนี่ยเขาไม่เรียกว่าแปลเขาเรียกว่าแปลไม่ได้แล้วก็ทับศัพท์เหมือนเนีนเหมือนเนีนแปลหนังสืออะซีอะไรนะหนึ่งหมื่นโลกระท่าสวันไหวแล้วบาลีมีว่าสังกัมปีใช่ไหมเนีนเขาก็แปลสังกัมปีไม่ออกครัหนึ่งหมื่นโลกระท่าสังกัมปีแล้วก็จะเป็นรู้สังกัมปีแล้วแปลทับศัพ์ก็บอกแปลทับศัพท์ได้ แปลไม่ออกให้ทับศัพท์ไปสังกัมปีแล้วในข่าท่าเลยต่อไปปัญญาปัญญารู้ทั่วใช่ไหมความรู้ทั่วศรัทธาความเลื่อมใสความเชื่อทานังการให้ทานสุขขังทุกขังเวทนาเวทนาแปลว่าสภาพที่ถูกเสวยเวทนาสภาพที่บุคคลเสวย การละโกผู้ทำผู้ทำวาจโกผู้กล่าวผู้พูดผู้บอกเศโถผู้ประเสริฐสุดผู้ผู้สูงสุดเชยโยผู้เจริญผู้เจริญที่สุดเสโยผู้ประเสริฐที่สุดด้วยเหมือนกันเศธโถกับเสโยประเสริฐสุด พโยโแปลว่ายิ่งพโยแปลว่าความยิ่งโพโยยิ่งใหญ่อาวิชช า, าแปลว่าอาวิชชาความไม่รู้ตัณหาตัณหาคว า, า, ามตอยากโอ้โหนามรูปังนามและรูปเป็นสมารนะสัทธาพระศาสดาหรือผู้พร่ำสอนอาจจริโย อาจารย์หรือผู้สั่งสอนศิท์โสศิทธิ์หรือผู้ถูกสอนมนุษย์โสมนุษย์ชะโนชนชนนักรโชนคนหรือนอรชนปุคโลบปุคคลปีตามาตาโลโพโทโส โกรธโกรธกับโมโหอยอันเดียวกันโมโหหลงรุกขโขโลโกโลกหรือสัตว์โลกมะโนคัดฉังไ ป, ไปอ ย, ปอยู่ผู้ไปอยู่ต้องบอกด้วยคัดฉังผู้ไปอยู่สันโตผู้สง บ, สง บ, สงบมหา ร, ราชา พระราชาผู้ยิ่งใหญ่หรือมหา ร, รา อ, อนิจังความไม่เทียมมเท่ยงอัตตาตัวต น, ตวตนอนัตตาความไม่เป็นตัวเป็น ต, ตนขมาความอดทนความอดกลั้น <laughs> ขมาความอดทนฉายาเง า, ง า, งารม่มคาถา คาถาพระลังผลผลนี้หมายถึงผลกรรมหรือผลไม้ต่นเดียวกันผลผลไม้ก็ได้ผลกรรมก็ได้สีลังตวงตุมเหอหังม้ยังโอ้แปลง่ายทั้งนั้นเลยเนี่ยอัณฑะหังขีนาสโวะพระอรหันอีก กีนัสโวพระอรหันต์แปลโวหารถ้าแปลศัพท์ไปแบบผู้มีอาสวะสิ้นแล้วหรือผู้สิ้นอาสวะสัทธาเอาทับศัพท์ไอซ้อนซ้ำซ้ำศรัทธาซ้ําเคยมาทีหนึ่งแล้วสัทธาําซ้ําสัทธาซ้ําต่อไปพระขวารพระวาก็ซ้ำนะสองทีเนี่ยพระควารพระผู้มีพระภาคหรือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตาทิโสผู้เช่ น, นั้นผู้คงที่ผู้คงที่แปลว่าพระอาหารหันต์ก็ได้ตาทิโสพระอาหารหันต์สักโกสักโกแปลว่าเท้าสักกะเทวังราชหรือพระอินทหรือตระกูลศักยะสักยะวงศ์มาจากสักกะคํานี้แหละมุนีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระมุนีหรือนักบวชโพธิ ถ้าโพธิเป็นปุงลิงแปลว่าเจ้าชายโพธิถ้าโพธิเป็นอิทีลิงแปลว่าปัญญาปัญญาเครื่องตัสรู้ไม่แปลว่าผู้ตัสรู้ครับต่อไปทิฏฐิความเห็นจากคุวิญญาณังวิญญาณหรือความรู้กตัญญูภะควาทัศนศัพท์แล้วไม่ต้องกาตัญญู ผู้กระตันยุงหรือผู้รูปอุปกรณ์ระที่คนอื่นทําแล้วแก่ตนนี่แบบอธิบายนาโคลนาช้างงูผู้ประเสริฐพระอรหรันช้างก็ได้งูก็ได้นาค ก, ก็ได้ผู้ประเสริฐก็ได้พระอรหันก็ได้นิพพานังดับกิเลสดับตัณหานิพพานังแปลว่านิพพาน